ฟังสอนะทขี่เกียร์ทาตามมันเจริญไม่ได้แบบนั้นนะเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ข้อนี้ก็สำคัญเราเป็นนักบวชเนี่ยอย่าไปทะเยอะทะยานเกินขอบเขตในปัจจัยทั้งสี่ ให้เป็นทำรรตนเป็นคนมากน้อยสันโดษมันถึงจะทําให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าหากว่าทําตนเป็นคนมากมากอยู่แล้วไม่ได้กิเลสมันไม่แห้งเลยนั่นแหละเราบวชมานี่ให้ครึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่เราบวชตามโมเพณีเฉยๆเราเฉพาะบวช มาอยู่ในวัดป่าอย่างนี้นะมันไม่ใช่บวชตามปกเอนีเฉยๆนะเราบวชมาเพื่อฝึกตนฝึกตนให้เข้มแข็งให้ใจเข้มแข็งไม่ให้มันรู้อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาต่างๆในโลกให้มันทำความพอใจในบุญในกุศลในมาผลธรรมวิเศษนู่น ยกกิจใจของตนให้สูงขึ้นเอาละเราจะบำเพ็ญเอามักเอาผลให้ได้ในส่วนโลกียสุขนั้นเราได้สวยมาจนเราไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นยั่งยืนอะไรเลยนามิทรรมันยังเป็นเครื่องรอหลอกกิจใจให้หลงทำความชั่วอยู่ในโลกอันเนี้ย <c oughs> เราเนือลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกถ้าเรื่องลึกชาติหนุนหลังได้นตะมันจะรู้ตัวเลยว่าแต่ชาติหลังๆคืนไปาบางชาติอาจจะได้ไปตกนรกอยู่นู่นก็ไม่รู้ว่านานแสนนานเท่าไหรแล้วกว่าจะพ้นจนากนรกมาได้นั่นแต่ว่าเมื่ออวิชชาตัณหามันหุ้มหอ่อ แล้วเกิดมาชาตินี้มึงระลึกชาติหวนหลังไม่ได้เลยอย่างนั้นนะพวกคนะระลึกชาติหนุนหลังไม่ได้อย่างเนี้ยเลยเลยเข้าใจว่าตนบริสุทธิ์เลยนึกว่าตนไม่ได้มีมัวหมองอะไรมาแต่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ลืมตัว <c oughs> มันถึงไม่กลัวบาป ก, กลัวอกุศลกรรมต่างๆที่พระ เ, เจ้าทรงห้ามไว้ ไม่กลัวเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ตนก็ดีอยู่นี้เนี่ย็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้นะมีกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่นี้ไม่เห็นมีอะไรบกคร่องอันนี้นะให้พึ่งเข้าใจรือว่าความจริงนะถ้าหากว่าตนทำบาปมาแต่ก่อนนะ ตนสวยผลของบาปนั่นมาหมดแล้วเรื่องมันนะมันนี้บังเอิญได้ทําบุญกุศลไว้เมื่อเมื่อสวยผลของบาปหมดไปแล้ววันนี้บุญมีโอกาสให้ผลต่อก็เลยได้เกิดมาเป็นคนนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ไม่บกพร่องอย่างเนี้ยแสดงว่ากรรมเวที่ในรุปหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดอายุหลง ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าเศษบาไม่ไม่หมดแล้วเกิดมาในชาตินี้ก็จะมีอัตภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้หรอกขี่กระจอกงอกงอยวิบัดไปนานาประการขาดขาดไปไม่ครบหมายเพราะว่ า, างั้นนะเศษบามันติดตามมานะ น, นี้การที่เรามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้ แสดงว่าเศษบาไม่มีเหลือแล้วมีแต่บุญมาแต่งร่างกายนี้ให้ต้องให้นึกเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้เมื่อนึกเข้ามาอย่างนี้จะได้ภูมิใจว่าเราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาสมบูรณ์แบบด้วยอํานาจบุญตกแต่งให้ที่นี้บุญตกแต่งให้นั่นนะมันก็ตกแต่งให้เฉพาะ ก็อยู่ในขอบเขตจำกัดสำหรับยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นักคนละห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีว่ายังมากเกาะไปแล้วหมดแล้วบุญเก่าที่ทำมานั้นนะนี่มันต้องคิดถึงตัวอย่างนี้แล้ววันนี้เมื่อทนรู้ว่าร่างกายนี้บุญตกแต่งให้แล้ว จะไม่ใช้กายอันนี้ทําความดีเข้าไปไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนปล่อยให้กิเลสมันย่ํายีเอาจนเราไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างนี้มันก็เท่ากับว่า อ, อทําลายตัวเองจากความเป็นมนุษย์้ต่อไปนี้มันก็ยากที่มันจะได้เป็นมนุษย์อีกนะถ้าหากว่าตนหันลงไปทางชั่ว อย่างนี้แนตะ่ต้องนึกถึงตัวเองอย่างนี้เสมอล้ะเราเป็นพระเป็นเจ้านี่นะบุญกุศลส่งให้เราได้ไต่เต้าขึ้นมาสูงกันานี้แล้วนะเราต้องพยายามรักษาความดีของตนที่ทำมาแล้วให้มันคงอยู่แล้วก็พยายามทำความดีเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอีกไม่หยุดไม่หย่อนพยายามทำละตนให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ ย่าไปคำนึงถึงสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากใจนะั้นอันนี้นะับว่าเป็นกิจธุระอันสำคัญที่เราเป็นนักบวดนี่นะเพิ่งเข้าใจถ้าเป็นครือหัดผู้ฟองเรือมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเขามันก็ต้องเกี่ยวกับการทํามาหาเรียงฉีบหาเรียงครอบครัวตัวเรือน ต้องหาเงินหาทองอันนี้เราไม่มีเราไม่มีธุระอย่างนั้นเลยเรามีโอกาสแต่เพียงว่าที่จะได้ทำความเพียรกำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนนี่นี่หน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นจึงเตือนแล้วนะการไปทำงานภายนอกอย่างอื่นจนว่าทิ้งข้อปฏิบัติไม่มีความภาคเพียร ภายในจิตใจอย่างนี้ไม่สมควรเลยบุญอันใดมันจะเท่ากันกับบุญที่เราทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ดใดละกิเลสตัณหาได้ลงไปอย่างไดอย่างหนึ่งลงไปก็โอยได้บุญโขเลยได้บุญมากต้องให้เข้าใจอย่างนั้น ทีนี้ถ้าผูาา้ใดสะสมกิเลสให้หนาแน่นเพื่อนในจิตใจมันก็คงกันข้ามมันก็ได้บาปนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะบุญกับบาปนี่มันเป็นเหมือนฝ่ามือกับหลังมือนี่ดังนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ทําความเพียรละกิเลสได้เต็มที่แล้วการที่เราได้บวชเข้ามานี่ต้องคิดให้ดี เราไม่ได้ทำไรไทยมันาไม่ได้ทำการค้าขายอะไรเลยอชีวิตของเราก็ฝากไว้กับชาวบ้านนะนั่นแหละชาวบ้านเขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่อย่างที่เรารู้เราเห็นกันอยู่นี่แหละอันใ น, นเมื่อเราเห็นชาวบ้านมาสนับสนุนเนี้ยมันก็ควรจะตื่นตัวกันนะพวกเราเป็นนักบวชโอ้เขามองเราว่าเราเป็นผู้มีกิเลสน้อยเบาบางนะ เขาจึงได้มาสนับสนุนนะถ้าเขารู้ว่าเรานั้นมีกิเลสหนานแน่นอยู่เต็มตัวแล้วจ้างเขาก็ไม่มาสนับสนุนเลยนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ชาวบ้านมาสนับสนุนนี่ก็เท่ากับว่าเขามาเตือนเราให้เราทำความเพียรนะให้ลากกิเลสให้มันเบาบางออกไปจากขิตใจนี่นี่เป็นอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นจะไปเข้าใจว่าเข า, เานําทยทานอะไรต่ออะไรมาถวายมากมายพวกเรารวยแล้วดีอกดีใจอย่างนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องตื่นตัวต้องตื่นตูนตื่นตัวเตือนตนนะนี่ถ้าเราประมาทนะเราไม่ทำความเพียร เราเพิดเพลินนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขานะอย่าไปเข้าใจว่าเขาเอาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมาถวายแล้วเราจะได้บริโภคสบายสบายไปเลยไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขาแหละ <c oughs> เหมือนอย่างมารดาบิดาเลี้ยงลูกนะนะให้นมให้อาหารแก่ลูกอบันีึ ลูกนั่นก็เป็นหนี้บุญคุณมารดาบิดานะเพราะนั้นลูกเมื่อเฉลิญไายใหญ่โตมาจึงต้องหว น, นลึกถึงคุณของมารดาบิดาแล้วคิดตอบแทนบุญคุณของท่านมันจึงไม่เป็นหนี้บุญคุณท่านสืบต่อไปในชาติต่อๆ อ, อไปนู่นนะอันนี้เหมือนกันเนียเราเป็นนักบวชเนี่ยเราก็เป็นหนี้บุญคุณญาติโยมชาวบ้านเขาถ้าที่เขาได้ผวงควาย สเสวยหาปัจจัยสี่ได้มาแล้วเขาก็มาแบ่งให้ทางวัดบ้างเขาก็แบ่งไว้บริโภคใช้ช้อยในครอบครัวงเขาบ้างดูสิเขาเจียดเอามาบำรุงวัดเนี่ยถ้าเขาไม่เลื่อมใสไม่นับถือจริงใจแล้วเขาไม่ทำเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เงินทองเขาขลองมันหาได้แสนยากแสนลำบากจะถึงขนาดเขาก็ยังเจียดเอามาธนุบำรุงวัดวาสนา พระเจ้าพระสงฆ์สามมรรคคิดดูนี่หละเมื่อเราคิดมาถึงตอนนี้ได้เราจะได้ตื่นตัวกัะนะจะไม่ประมาทจะเป็นผู้สำรวมระวังตนในธรรมวินัยด้วยดีไม่ล่วงเกินแล้วก็พยายามทำละกิเลสตัณหาให้เบาบางไปจากกิดใจของตนนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นนะ ญาติโยมที่เขามาสนับสนุอุขุธรรมบำรุงนี่ก็ก็จะไม่มีโทษแก่เราผู้รับทานชาวบ้านเขาเดี๋ยวว่าเรารับทานแบบที่ว่ามีสติไม่หลงลาภสการะไม่ลืมตัวนี่มีอายเตือนตนให้ประกอบความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปจากกิจใจ ก็ขอให้พากันเข้าใจตามนี้ <c oughs> เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็เออก็อาป่าจะเป็นผู้เจริญในพรหมจรรย์นี้ได้ต่อไปเคารบคารวะหกอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งใน ความไม่ประมาทในการศึกษาหนึ่งในปฏิสันฐานคือต้อนรับหนึ่งนี่ภิกษุควรทาคาระวะหกประการนี้อันนี้ก็เป็นธรรมที่เราควรปฏิบัติควรใส่ใจเป็นพิเศษผมเอ้อเฟื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้ก็หมายถึงว่ามันะระลึกถึงอยู่เสมอะระลึกว่าเราเป็นสาวกของพระเจ้าระบบุตรอุทิศต่อพระเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็ทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นเพียรพยายามละกิเลสตามไม่ใช่พระองค์สอนให้คนสั่งสมกิเลสนี่ เราต้องนึกทบทวนอย่างนี้เสมอมันถึงจะมีกำลังใจก็เมื่อเรามาปฏิญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วนะก็ต้องเห็นโทษของกิเลสต้องทำความเพียรละกิเลสไม่เห็นแก่ความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่มันก็ยังสมกับว่าเรามาอุทิศชีวิต ต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกพระองค์จะประเสริฐได้ก็เพราะพระองค์ละ ก, กิเลสนี่เราก็รู้กันอยู่นี้เราจะประเสริฐได้ก็เพราะเราละ ก, กิเลสตามพระองค์เหมือนกันนั่นแหละอืให้พึงเข้าใจไอเราจะเลวได้ก็เพราะเราไม่ละ ก, กิเลสอืบวชเข้ามาแล้วนะเมื่อไม่ละ ก, กิเลสแล้วมันก็ความประพฤติมันก็เหลวไหลไปแล้ว โม อ, อยู่ในร่องในรอยเลยอืเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเราเคารพในพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพต่อพระธรรมวินัยนี่ <c oughs> มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ให้ภิกษุสาวกทั้งหลายนั้นปฏิบัติตาม <c oughs> แม้พระสงฆ์สาวกขององะมุทภาพแก้วที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบตามคำสอนของอุทธเจ้าจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานล่วงมาแล้วหลายเป็นจำนวนมากเนะี่ยเราก็ะระลึกถึงท่านเสมอว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกับเรานี่แหละไม่ใช่ว่าแปลกอะไรแล้วพูดถึงรูปร่างแล้ว แต่ว่าท่านมีความเพียนใหญ่ท่านมีความบากบั่นมากเหตุนั้นท่านจึงละกิเลสตัณหาขาดจากสันดานได้แม้เราก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรามีความบากบัน่นมั่นหมายมีความเพียนสำมรวมตนอยู่เสมอไปไม่ท้อถอยตนก็จะท่องละกิเลสดได้เหมือนกันนะกับภาษาวกทั้งหลายที่ท่านร่วงรับ ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั่นนะก็ต้องให้พากันพยายามนึกอย่างนี้เสมอๆไปเมื่อก็ะึงจะมีศรัทธามั่นในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาพเจ้าเราก็จึงจะมีความเคารพอในพระสงฆ์แม้เราอยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะ ทุกคนมันก็ต้องเคารพในสงนี่เรียว่าเคารพในมู <c oughs> ในคารวะหกนั่นนะท่านยังกล่าวว่ามีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์ น, นะต้องทำความเคารพอย่างแก่กล้า <c oughs> ในสงนี่นะคือเมื่อสงมีมติอะไรออกมาแล้วนะ ระเบียบอันใดมติอันใดซึ่งชอบด้วยธรรมวินัยล่เราต้องเคารพต้องทำตามนี่เนาะอย่างนี้ก็จึงเไี้บอกเคารพเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์มันทำยังไงกันอยู่ล่ะเหรอเลวรอ่ะเขาเตือนแล้วหลายครั้งแล้วนะ ทำไมมันถึงไม่เกียมตัวให้ท่านกบเวลาเวลาคนจะดีได้เขาต้องเคารพต่อระเบียบที่มันไม่เคารพต่อระเบียบมันจะดีได้ยังไงอะ <c oughs> เป็นคนเฉยชาอ่อนแอทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จได้ <c oughs> อย่าไปทําตัวเป็นคนอ่อนแอสิ <c oughs> เ, รอเราอวดอุตเราบวชอุทิตต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่เหตุที่พระองค์จะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะพระองค์ตั้งใจอะตั้งใจให้เนวแน่เคารพต่อระเบียบทําตามระเบียบ เช่นนั oui. ้นนะมันถึงได้มีจิตใจเข้มแข็งจึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้เขารบต่อการศึกษานี่อันนี้ก็สำคัญนะอนบคารว่าหกประการนี่นะผู้ใดปฏิบัติตามได้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้ต่อพันิชย์อืมไม่ใช่ย่อยๆนะเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพันิชพันแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกลียดคร้าสการศึกษาบางคนนะ่ะเพื่อนตีระครังแล้วยังเฉยเมย อ, อยูอ่อย่างนี้มันไม่ชอบนะไม่ถูกเราต้อง เคารพต่อระเบียบเช่นระเบียว่าเก้าโมงนะต้องเตรียมตัวมาขึ้นเรียนกันอย่างนี่ยอหรือว่าสิบโมงก็แล้วแต่ที่ตกลงกันนะใกล้จะถึงเวลาเช่นนะั้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวมาให้ทันกับเวลามันต้องอย่างนั้นการเรียนนะ่ะ <c oughs> ไม่ว่าทำอะไรหละทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าหากว่าทำให้เคลื่อนคลาด จ, จากเวลาไปแล้วนั้นมันย่อมไม่เป็นมงคลนะไม่เป็นมงคลไม่เป็นไปเพื่อความเจริญเพราะเวลามันจำกัดอย่างเช่นการศึกษาเราเรียนอย่างนี้แหละ มันไม่ใช่มีแต่หน้าที่การศึกษาเราเรียนอย่างเดียวการงานธุรกิจการงานต่างๆมันก็ต้องมีเวลานั้นทามันนั้นเวลานั้นทามันนั้นไม่ว่าการงานทางโลก ท, งทางธรรมเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันมันมีเวลามันแบ่งเวลาไปทำการงานไปแต่และอย่างละอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ที่ พอเวลาจำกัดนี่ถ้าปล่อยให้เวลานั้นมันล่วงไปเสียแล้วงานนั่นก็เลยไม่ได้ทำทำก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ออย่างนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในอปริหารนิยธรรมนันนะอ่าพระพุทธเาาจา้าจังได้ทรงแสดงว่ากาลัญยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลา อันสมควรในอันประกอบประกอบกิจนั้นๆ น, น, นี่นะเราต้องเข้าใจสิกองค์เจ้าแนะนําสั่งสอนแลเพื่อให้เราลงมือปฏิบัติตามเนอะไม่ใช่ใจําไว้โกโก้ไว้เฉยอ่ะ <c oughs> ปริสันโยตาเนี่ยก็เป็นผู้รู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ว่าประชุมชนเหล่านี้นะเมื่อเข้าไปหาประชุมชนเหล่านี้แล้ว เราจะต้องทากิริยาการอย่างนั้นจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประชุมชนคือว่าเราต้องเตรียมเราต้องศึกษาให้รู้ว่าประชุมชนโมนีนะเพื่อนมีระเบียบยังไงอ่ะมีมติอย่างไรอ่ะเพื่อนนิยมกันอย่างไรในการาทำคุณงามความดีนี่เราก็ต้องศึกษาให้รู้นี่ เมื่อเรารู้แล้วเราชอบใจอย่างนี้เราก็เข้าไปหาที่ประชุมนั้นแล้วก็ทำตนให้มันเข้ากับที่ประชุมนั้นให้ได้เรียกว่าปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้มันเข้ากับที่ประชุมนั้นให้ได้อันหมู่นี้นะเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันทั้งนั้นเลยนี่เพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับหมู่ ต้องมีหมู่แวดล้อมอยู่นะจึงค่อยอยู่กันได้นี่ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคารวะข้อที่หกนั่นน่ะก็จึงว่าปฏิสันฐาคารวะตาเคารพในการปฏิสันฐานคือการต้อนรับ เพราะนั้นให้พากันใส่ใจไว้ให้ดีเรื่องปฏิสันฐานการต้อนรับนี่ก็เป็นคุณธรรมมาหนึ่งก <c oughs> ็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันต้องพึ่งพาอาศัยหมู่คณะอโดยเฉพาะในวัดวาอารามอย่างเนี้ถ้ า, าว่าญาติโยมเขาไม่สนับสนุนเขาไม่เลื่อมใสนับถือแล้วเราอยู่ไม่ได้จริงๆเลยเออ นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้ทุกคนเลยเมื่อเห็นแขกคนไปมาอย่างนี้นะใครเห็นเขาแล้วก็ต้องปฏิสันถานเลยต้องต้อนรับขอเชื่อเชิญให้ไปนั่งที่ไหนก็เชื่อเชิญหรือไม่เชื่นก็ถามไทยรู้ก่อนว่ามาประสงค์อะไรอย่างนี้นะ ถ้าออกมาต้องการอยพบครูบาอาจารย์เนี่ยนี่ไม่เป็นไรเชิญตามมาจะพาไปพบที่ศึกษาในปัญญาศึกษาในศีลศีลของสมเนนสิบข้อนั้นนะให้พากันใส่ใจนะเน้นที่บวชใหม่นี่ก็ดีต้องใส่ใจลืมวัดมั้งก็เนี้ฮะ นั่นต้องใส่ใจนะไม่ใส่ใจเดียวไปล่วงศิลโดยไม่รู้ตัวศิลข้อที่หนึ่งนั้นท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายและห้ามไม่ให้ใช้ผู้อื่นฆ่าด้วยดูอย่างนั้นศิล <c oughs> ข้อที่สองห้ามไม่ให้ถือเอา สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยอันนี้มันชอบจะมีอยู่นะให้พึ่งสังวรไปให้ดีอย่างที่เคยเตือนมาแล้วเนอะอย่างว่าของที่อยู่ในกุฏิใหญ่นั่นนะใครอยากได้เราไปช่วยไปจับเอาไปเลยไม่ได้นะต้องให้เข้าใจ นี่ร่มนะเราหาให้จนว่าดูมันจะทั่วทุกคนแล้วนี้นะ